ถ้าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมรู้ตามหลักธรรมแล้วยังจะโอนจะเอียงหน้าเอียงหลังล้มใช่ลมผอยอยู่แล้วทำก็เป็นเครื่องยึดของโลกไม่ได้ถ้าจิตใจของเราเชื่อตัวเองไม่ได้ก็คือมันยังไม่เข้าถึงธรรมในขั้นที่เชื่อตัวเองได้นั่นเอง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 สิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราให้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาด้วยกันทางนั้นแต่ทำไมมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เพราะจิตใจของเรามันยังไม่เป็นไปตามใจหวังเรานั่นเองไม่ใช่สิ่งนั้นไม่เป็นตามใจหวังคือจิตใจไม่เป็นไปตามหวังมีความบกพร่องในตัวเองจึงต้องการสิ่งนั้นจึงต้องการสิ่งนี้เมื่อต้องการไม่ได้พื่อความหิวประเภทหนึ่งแล้วก็เกิด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 สิ่งต่างๆซึ่งเคยนําเรื่องราบมาก่อควนตัวเองหรื อ, อยุยงแย่ก่อกวนให้รับความทุกข์กำลังบ่าหให้อยู่ในจุดเดียวคือภาวนานั้นนี่เรียกว่าเราทําตามวิธีเพื่อความสงบดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จิตเมื่อได้รับการบังคับบัญชาด้วยสติในทางที่ถูกต้องย่อมยำเข้าสู่ความสงบความสงบปรากฏขึ้นในจิตเราก็ทราบว่าความสงบนี้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันเมื่อจิตมีความสงบ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 ชาตินี้เราก็อาศัยใจเราอาศัยความสุขชาติหน้าเราก totally. ็ต้องอาศัยเหมือนกันชาตินี้กับชาติหน้ามันก็เหมือนกับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แยกกันไม่ออกสืบเนื่องจากวันนี้ก็ไปเป็นวันวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันมะรืนเรื่อยๆไปสืบเนื่องมาจากเมื่อวา น, นก็มาเป็นวันนี้สืบเนื่องมาจากชาติก่อนก็มาเป็นชาตินี้สืบเนื่องจากชาตินี้นก็ชาติหน้าเพราชาตินั้นเรื่อยๆไปนี่เป็นหลักธรรมาชาติของจิตที่มีชื้อแห่งมรระอยู่ภายใจิตใจจะแยกไม่ออกในเรื่องการเกิดการตาย ต่อเนื่องไปโดยหนักนะหากจะมีพบมีชาติต่อเนื่องไปโดยหนักก็ตามขอให้มีคุณงามความดีเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องพยุงจิตใจมีอยู่ภายในจิตใจไปพบใดชาติใด <c oughs> หากจะเกิดอยู่ในวัฏฏะทุศานก็ย <c oughs> ังมีความมีความสุกเป็นเครื่องสนองความต้องการจะไม่ร้อนพูนอุตตการมากนักจะไม่เลยรับความทุกข์ทรมานมากเพราะมีความสุขเป็นเครื่องบรเเรเทากันไปแล้วก็พอเป็นไปได้